การปฏิบัติสมาธิเพื่อชีวิตประจําวัน <S <S การบําเพ็ญเพียรภาวนาบําเพ็ญสมาธิภาวนาที่เรายึดเป็นหลักปฏิบัติสําหรับพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาผ่านการศึกษาแล้วก็เป็นนักทํางานนักธุรกิจเวลาที่จะมานั่งสมาธิหลับตาอย่างพระเนี่ยมันเป็นของยากเพราะเราต้องรับผิดชอบในธุระหน้าที่การงานของเรา หลวงพ่อจะให้แนวทางเห็นการปฏิบัติสมาธิซึ่งเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิเพื่อชีวิตประจำวันเอาการยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดหรือการทำการพูดการคิดของเราเองเป็นอารมณ์จิตในการปฏิบัติพอเราทำมีสติพูดมีสติคิดมีสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรอย่าไปเบื่อมัน อย่าไปรำคาญมันถ้าจิตมันคิดมากท้าทายเลยแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนอนดูแกอยู่นี่แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันรับรองว่าได้สมาธิในขณะนอนหลับนี่ขอให้แนวทางเอาไว้อย่างนี้ทีนี้การที่เราจะละบาปละกิเลส ศีลห้าข้อเท่านั้นสารณะที่พึ่งที่ระลึกที่เราจะยึดมั่นถือมั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือคุณธรรมที่ทำจิตของเราให้เป็นพุทธเมื่อจิตของเรามีสติรู้พร้อมเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตจิตของเราก็เป็นจิตพุทธเป็นจิตพระพุทธเจ้าเป็นจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบาน อันนี้คือคุณธรรมที่ทาจิตให้เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลาเราเดินไปเราก็ไปกับพระพุทธเจ้ายืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธเจ้านั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดการอันนี้วิธีปฏิบัติสมาธิที่รู้สึกว่าง่ายแต่เมื่อเอาจริงก็ไม่ใช่ง่าย แต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนาญทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเองโดยอัตโนมัติเราก้าวเดินไปปั๊บสติมายืนปั๊บสติมานั่งปับ๊บนอนปับ๊บกินปับ๊บดื่มทาพูดคิดสติจะมากำกับอยู่ตลอดเวลานี่มันจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรามีสติรู้พร้อมอยู่ เราก็ไม่เผลอไปทำบาปเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นมีสัมปัตชัญญะความรู้พร้อมมันก็กลายเป็นปัญญาพอเราตั้งใจจะคิดอะไรขึ้นมาพอตั้งใจปับ๊บจิตมันจะคิดจะคิดจะคิดของมันไปเองและในที่สุดมันจะไปหยุดกึกลงว่างนิดหนึ่งพอไหวตัวปับ๊บอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เราควรจะแก้ไขอย่างนี้ควรจะทาอย่างนั้น มันจะเป็นความรู้เกิดขึ้นมาเองตัวอย่างเช่นด็อเตอร์อาจองค์ชุมสายณอายุทยาไปเรียนวิศวะระดับปริญญาเอกเขาให้วิจัยงานชนิดหนึ่งให้ทุนมา30ล้านตอนนักศึกษา20คนใช้เงินเขาหมดไป20บล้านมันยังไม่สำเร็จท่านอาจองค์ก็ขึ้นไปภูเขาไปนั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิไปก็ได้นิมิตเห็นเครื่องมือที่จะสร้างด้วยความดีใจไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบลงมาก็มาสร้างพอสร้างเสร็จแล้วไปติดเข้ากับจรวดจะไปลงดวงจันทร์พอติดเครื่องเข้ามันระเบิดใช้ไม่ได้หนีไปอีกทีนี้ก็ไปได้นิมิตขึ้นมาทีเนี้ยมีบทเรียนแล้วก็พิจารณาดูให้มันรอบคอบเขียนแผนผังเอาไว้เรียบร้อย พอกลับลงมาก็สร้างพอสร้างเสร็จไปติดเครื่องเข้าเปิดเครื่องเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงมันก็ไม่ระเบิดพอเสร็จแล้วเขาก็รับรองว่าใช้ได้เขาสั่งให้สร้างให้เขาห้าอันแต่ละอนันราคาเป็นล้านพอสร้างเสร็จแล้วเขาก็เขียนใบประกาศวุฒิให้เลยคุณเรียนจบแล้วกลับบ้านได้นี่ตัวอย่างนักศึกษาที่ใช้สมาธิเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา เมื่อรวมลงแล้วเรื่องสมาธิเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวันนั่นแหละถ้าเราแก้ปัญหาอะไรไม่ตกพอนอนลงตั้งปัญหาถามตัวเองไว้ว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไรเราก็หยุดไว้เพียงแค่นั้นกำหนดสติรู้จิตอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตคิดอะไรปล่อยให้คิดไปจนกระทั่งนอนหลับพอนอนหลับไปแล้วจิตมันจะสว่างปัญหาที่ขล้องใจมันจะได้คาตอบออกมา